นบูตัสสะพวัตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนบูตัสสะวตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนบูตัสสะวตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจคันธารูปคันโท เวทนาคันโุสัญญาคันโทสังขารคันโทวิญญาณคันโทตี <c oughs> นั่งตามสบายก็ความทาและปฏิบัติธรรมครั้งที่เจ็ดสิบสามก็ ในเราประจำเดือนนี้ปีนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของของรายการความธรรมและปฏิบัติธรรมที่อาการธรรมทีรุ่งโรจน์เพราะว่าเดือนหน้าก็หยุดวันนี้ก็จะได้ฟังธรรมะก่อนแต่ธรรมะที่ฟังเป็นธรรมะปฏิบัติ คือหมายความว่าผู้ฟังเนี่ยหาที่นั่งให้ดีนั่งให้สะกบกายอย่าให้มันกระสับกระส่ายไม่ใช่ฟังไปด้วยทำงานไปด้วยอย่างนี้ไม่ควรไม่ได้เรียกว่าฟังทรรมปฏิบัตรริทำฟังทมปฏิบัติทำหมายความว่าทำกายให้สะกบพอกายสะกบ ได้ยินเสียงธรรมะเข้าก็จะได้ระลึกตามพิจารณาตามถ้ากายไม่สง บ, บกายกระสับกระส่ายในการความธรรมะนั้นมันจะบั่นทอนบั่นทอนความเข้าใจความลึกของความเข้าใจต่างกันมันจะเข้าใจแบบตื้นๆที น, นี้ถ้าเราทำอย่างอื่นไปด้วยความธรรมะไปด้วย ความสัมผัสต่อเสียงมันก็จะได้แค่ชั้นนอกๆเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งมันเลยทำให้ยากยากต่อการที่จะเข้าใจอันวันนี้จึงบอกว่าให้ฟังธ ร, รมและปฏิบัตริรมผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านนะหาที่นั่งให้เรียบร้อยบนเก้าอี้ก็ได้ที่พื้นก็ได้ นั่งให้มันสงบกายไม่กระสับกระส่ายหมายความว่าอย่างไรเก็บมือเก็บเท้าให้เรียบร้อยมันไม่ใช่ว่าฟังไปนั่งเก้าอี้แล้วก็สานขาตึกตึกตึกึกึ ก, ก, ก, ก, กึกไปด้วยอย่างนั้นเรียกว่ากระสับกระส่ายหรือนั่งไปมือก็เด่นเกมไปด้วยตาก็ดูทีวีไปด้วยหูฟังไปด้วยอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่า ยิ่งกว่าความกระสับกระส่ายมันยากต่อการที่จะเข้าใจโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยมันจะได้พูดถึงเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญก็คือว่าเรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้ก้าไปไม่ถึงว่ามันสำคัญอย่างไรจะสังเกตคนที่ เ, เป็นนัก บ, บุญหรือเป็นนักปฏิบัติ ถ้าในหนึ่งรอยมีความมั่นใจในความเป็นตนเองไม่ถึงส0สบปซที่เหลือจะคอยสังเกตดูไม่ว่าเราเอาความมั่นใจไปไว้ที่ไหนไปไว้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมไปไว้ที่เทวดาสวรรค์ชั้นวา้าไปไว้ที่สิ่งอื่นทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้น นั่นเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องของตัวเราเองเราไม่มีความมั่นใจในความเป็นตนเองเพราะเราไม่มั่นใจในความเป็นตนเองเราก็ยกความมั่นใจเหล่านั้นไปวากไว้ที่อื่นเพื่อให้ชีวิตเราดำเนินไปได้ในเรื่องต่างๆไปวากไว้กับเจ้าที่มั่งฝากไว้กับเทวดามั่งวากไว้กับวัตถุมงคลเครื่องรางของของลังมั่ง ขวากว้กับเวทบนคาถามั่งขวากไว้กับความหวังว่าคนนนคนนี้จะเอ็นดูสงสารขวากไว้กับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องแบ่งส่วนนั้นไปอันนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องราวของศีลปตาปรมามักมันเป็นเรื่องของวิจิกิจฉานิวรมันเป็นเรื่องราวของความศรัทธาที่ไม่มั่นคง มันเป็นเรื่องราวที่บั่นทอนเราแล้วความมั่นใจในตัวเราเองเนี่ยที่บอกมเมื่อกี้ต่ตมกว่า30สเปอร์เซนต์ี่ยพอเราไปปฏิบัติหรือเราไปทำบุญเราไปเจอความประหลาดใจจากการทำความดีของเราแทนที่เราจะมาสร้างความมั่นใจให้กับตนเองเพิ่มขึ้น เรากลับเอาความประหลาดใจหรือเอาความดีที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการทำของเรานั้นไปยกให้เป็นความสำเร็จของสิ่งอื่นเสียอีกเช่นว่าเราไปทำบุญที่วัดนี้พอทำบุญเสร็จแล้วมันกำลังกลุ่มอกกลุ่มใจอยู่รู้สึกว่าใจโล่งโปร่งสบายหายเป็นปลิดทิ้งอ่าเรากลับไปมองว่า เทวดาที่นี่ดีให้พรสิ่งที่ของที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ทำบุญแล้วสบายใจนั่นมันไปอย่างนั้นหรือค้าขายมาตั้งนานขายไม่ได้ทึกตีพยายามตื่นตีสามตีทีเพื 4, ่อมาเตรียมการขายของทุกวันทุกวันจะต้องขาดตุ้งต้องขาดทุนพอไปวัดบุปผารามมาครั้งหนึ่งวันนี้กลับมาถึงบ้านยังไม่ทันถึงบ้านเลยโอ้ยออเดอร์มาเต็มทาไม่ทันรับเทียบเลย โอ้ยหลวงพออ่อองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์น่ะยกไปให้หลวงพอ่อเสียอีกทั้งทที่ว่าเป็นของตนเองเป็นความมั่นใจเป็นการกระทําของตนเองสงหมติเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักตนเองอย่างแท้จริงพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าประกาศระศาสนารู้ตัวพุทธศาสตร์คำว่าพุทธเนี่ยมันรู้ที่ไหนรู้ในอัตภาพร่างกาย พระพุทธเจ้ามันก็เหมือนของกระพวกเรานี่แหละสมัยเป็นเจ้าชายศรีธะถาหวังถึงความพ้นทุกข์แต่ว่าเอาความมั่นใจไว้ที่พระองค์เองน้อยมีแต่อธิษฐานมั่นใจในเรื่องของบา ร, รมีแต่เพียงแค่เชื่อว่ามันมีหนทางในการหลุดพน้นแต่ว่าวิถีคือการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นนั่นมองไว้ที่อื่นทั้งหมดเด็กแรกออกจากบ้านจากเมืองมาเนี่ย ก็ฝากไว้ที่ว่ากระแสว่าสังคมในตอนนั้นเขาทากันอย่างไรก็มุ่งไปในทางนั้นแต่ทีนี้ก็ได้ทําอย่างไรต่อเมื่อออกจากป่าออกจากบ้านจากเมืองมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทากันก็คือว่าต้องหาพระดังหาคนดังก็ไปเจอพระดังแล้ว อาราดาบทก็อุทกกระดาบทฝึกฝนไปฝึกฝนมาแต่ว่าปณิธานของเจ้าชายศิทธตถานั้นแรงไม่จมปลักอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่จริงอันสูงสุดก็เลยหาอะไรอีกทีนี้หาวิธีที่ปฏิบัติอันเป็นไปตามกระแสก็ไปบำเพ็ญทุกกิริยานะก็ไม่ได้อีกแล้วในที่สุดทำยังไงในที่สุดก็หันไปหา ชีวิตหันไปหาตนเองศึกษาตนเองศึกษาตนเองจนกระทั่งเกิดความรู้ในตนเองนั่นแหละอย่างเป็นเจอความจริงงนสูงสุดในชีวิตของตนเองสิ่งที่เคยเผื่อแผ่แบ่งออกไปด้วยความเชื่อที่มันทำให้ความหวั่นไหวเกิดขึ้นนั้นมันหายไปหมดก็กลับมาลงที่ตรงนั้นเรียกว่าอัตตาทิปะอัตตาสรนา เป็นมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นเกาะพระพุทธศาสนาของเราเกิดขึ้นจากการที่ชายผู้หนึ่งศึกษาชีวิตของตนเองอย่างเดียวศึกษาชีวิตของตนเองอย่างเดียวจนพบเจอความเป็นจริงต่างๆมากมายกลายมาเป็นพระพุทธศาสนารู้ทางการไปสวรรค์ก็เกิดจากการศึกษาชีวิตตนเองรู้ในการปิด เส้นทางแห่งอบายก็เกิดกัดจากการศึกษาชีวิตของตนเองรู้เส้นทางแห่งความพน้นทุกข์ก็รู้รู้จากไหนรู้จากการศึกษาชีวิตตนเองจนกระทั่งประกาศพระศาสนามาแล้วก็สอนพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยให้เรียนรู้ศึกษาชีวิตตนเองพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าสอน ที่ว่ากันว่าแปด0มื่นสี่พันปรักธรรมมาขันทั้งหมดนะให้มันตั้งต้นที่ไหนมันตั้งต้นที่การฝึกฝนที่ตนเองฝึกฝนที่ตนเองนี่แหละแล้วมาถึงวันนี้เราก็ต้องต้องถามตัวเราเองว่าเรารู้จักตนเองแล้วหรื อ, อยังในวันวันหนึ่งเราพยายามที่จะไปวิ่งหา หาอย่างนั้นบ้างทำอย่างนี้บ้างทำอย่างน้นบ้างอันนี้ไม่ใช่เรื่องของอาชีพว่ากันด้วยเรื่องบุญกุศลและการปฏิบัติว่าด้วยเรื่องบุญกุศลและการปฏิบัติเราวิ่งหาสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากตนเองโดยหวังว่าให้สิ่งนั้นนั้นเข้ามาตั้งไว้ที่ตนเองน่ะมันเป็นไปได้ไม้มมันเป็นไปไม่ได้มันยากมันไม่เกิดได้แต่เราทำไมจึงบอกว่าเราจะต้องมาเรียนรู้และศึกษาตัวเราเอง ในเรื่องของตนเองนี่มันเป็นเรื่องแรกที่เราจะต้องรู้นั่นก็คือเรื่องอะไรเรื่องของชีวิตในคาว่าชีวิตเรามารู้เรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเราอยู่ในพุทธศาสนาเป้าหมายคือพ้นทุกข์ความทุกข์คืออะไรความทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นนี่เป็นทุกข์หลัก ความเป็นทุกข์หลักตัวนี้มันทุกข์นี้มันเกิดที่ไหนอ่ะมันเกิดที่ชีวิตคือเกิดชีวิตเราเนี่ยเดีนี้ถ้าเราบอกว่าทําอย่างไรเมื่อความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความพลาดพลาดจากสิ่งนั้นเป็นที่รักเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ถ้าเราจะพูดว่าทําอย่างไรเราจึงจะต้องไม่แก่เราจะไม่เจ็บเราจะไม่ตายเราจะต้องไม่เศร้าโศกเนี่ยมันยาก มันยากที่จะเกิดขึ้นได้แต่เพราะเรามีความคิดแบบนี้เราก็เลยไปเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเขาบอกว่าตรงนี้ทําแล้วเนี่ยจะรวยตรงนี้ทําแล้วจะสวยตรงนี้ทําแล้วจะดีตรงนี้ทําแล้วจะมีบา ร, รมีตรงนี้ทําแล้วอายุจะยืนตรงนี้ทําแล้วจะอมียศมีลาภมีสันเสริญมีบริวารเราก็วิ่งไปหาแต่ทิ่งเหล่านั้นเพื่ออะไร เพื่อที่จะมาทําตรงนี้แหละว่ามันจะได้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเศร้าไม่โศกไม่ต้องเสียใจไม่ต้องพลัดพราดแล้วมันจะได้ตามสิ่งที่มันปรารถนามันในทางในทางอันเดียวกันนี่แหละถ้าเราตรงไปที่ชีวิตแทนที่เราจะบอกว่าทําอย่างไรมันจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ เราตรงเข้าไปที่ชีวิตของเราแล้วก็ศึกษาดูว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตมันเป็นอย่างไรชีวิตมันคืออะไรต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาอาวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งการเรียนรู้เพื่อเข้าไปสู่ความเป็นพุทธศาสนานั้นมันเริ่มต้นที่ไหนล่ะพระพุทธเจ้าเรียกว่าเริ่มต้นที่ขันห้า ขันห้าคืออะไรก็คือชีวิตขันห้าของเรานี่แหละคือชีวิตถ้าถามว่าขันห้ารู้จักไม่รู้จักทุกคนทุกคนตอบได้หมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณทุกคนพูดได้หมดเลยแต่สังเกตไหมความรู้สึกที่มีต่อศัพท์ว่าขันห้าของเรามันเข้าไปแค่ไหนถ้าในหนึ่งรอยเนี่ย มันเข้าไปในเนื้อของความรู้สึกนั้นได้สักยี่สิบหมกับคำว่าขันห้ทาทงทั้งที่ว่ามันจะต้องร้อยนะแต่เราก็เข้าไปสักยี่สิบไม่เกินสามสิบในความรู้สึกตรงนั้นเราก็เลยไม่อยู่กับชีวิตของตนเองไม่เข้าใจในชีวิตของตนเองไม่รู้เรื่องราวชีวิตของตนเองมีความไม่รู้มากกว่ามากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เลยยก เรื่องของขันห้านี่แหละมาเพื่อให้ไปเกิดเป็นการฟังธรรมแล้วก็มีความปฏิบัติไปด้วยท่านทั้งหลายแต่ต้องทราบว่าคาว่าขันห่านี้คือชีวิตของเราชีวิตไหนก็ชีวิตของท่านที่นั่งฟังอยู่นี่แหละท่านเป็นใครอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตนั่นแหละเป็นขันห้าที่ท่านจะต้องฟังให้เข้าใจ ขันห้ารต้องเข้าไปทำความศึกษาเรียนรู้ชีวิตของเราว่ารูปเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรสัญญาเป็นอย่างไรสังขารเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรซึ่งพระพุทธเจ้านั้นท่านวางแนวการศึกษาไว้ให้ว่าขันห้านั้นมันเป็นธรรมชาติของแต่ละอย่าง ธรรมชาติแห่งรูปธรรมชาติแห่งเวทนาธรรมชาติแห่งสัญญาธรรมชาติแห่งสังขารธรรมชาติแห่งบิ ญ, ญาณมันรวมกันเป็นชีวิตย่อลงมาเป็นรูปนามนะเป็นรูปนามหรือนามรูปรูปนี่มันเป็นหน้าตาอย่างไรในชีวิตของเราเนี่ยเราก็แบ่งเป็นหส่วนอย่างนี้แล้วมาดูหน้าตาแต่ละอย่างสิรูปนี้หน้าตาเป็นอย่างไร หน้าตาของรูปกองหองรูปที่เป็นชีวิตของเราเนี่ยมันก็เกิดจากอะไรล่ะทำไมเราจึงเรียกว่ารูปล่ะรูปนี้มันเป็นเป็นพวงอันเกิดขึ้นจากาธาตุทั้งสี่คือดินน้าลมไฟเราดูมันลงไปบ้างหรื อ, อยังเราได้เคยเข้าไปศึกษามันบ้างไหมเราจะไปติดอยู่แต่ชื่ออย่างเดียว ชื่ออะไรละ่ะชื่อที่ก็เรียกว่าผม hm, เรียกว่าหนังเรียกว่าผิวเรียกว่าเท้าเรียกว่าเล็บเรียกว่ามือเรียกว่าขาเรียกว่าหัวเรียกว่าคอเรียกว่าไหลเรียกว่าอันนั้นอันนี้เป็นชื่อเข้าไปพอเราไปสู่ชื่อตรงนี้แล้วเราก็ไปติดอยู่แค่นี้แหละมันมีปัญหาที่เข่ามันมีปัญหาที่มือมันมีปัญหาที่เล็บม in ีปัญหาที่เท้ามีปัญหาที่ไหลไซ้ายมีปัญหาที่ไหลขวามีปัญหาที่ตาที่หูที่จมูกอันนี้ชื่อฮ เราไปติดที่ชื่อเราเข้าไปไม่ถึงธาตุเราก็เลยไม่รู้จักชีวิตในหน้าตาที่เป็นรูปที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าไปศึกษาให้รู้ว่าคำว่ารูปมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอ๋อคำว่ารูปมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยธาตุสี่ธาตุน่ะมันประชุมกันธาตุอะไรมัางดินน้ำลมไฟถ้าเราดูหน้าตาของรูปในส่วนที่เป็นดิน ใช้จิตใช้ความรู้สึกก็ไปดูมันถว่วที่เป็นดินว่ามีอะไรมั่งก็ตอบตรงๆเป็ น, ปนง่ายๆว่าก็ลักษณะที่มันแข่นแข็งแข็แข็งแข็งแข็งนั่นแนะนั่นเลก็เรียกว่าดินลักษณะที่เป็นน้ำก็คือว่าเออบอาบเหลวเหลวนั่นนะน้าลักษณะที่เป็นลมก็พัดไปพัดมาลักษณะที่เป็นไฟก็อุ่นอุ่นร้อน ทั้งทั้งสี่ประการนี้มันรวมอยู่ในส่วนที่เรียกว่ารูปมันมีอย่างนี้เท่านั้นแหละและมันเป็นยังไงต่อไปดูความเป็นจริงของรูปนี้ว่ารูปนีมน้มันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันตั้งอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งของมัน เนะสร็จแล้วมันเป็นยังไงพอมันเปลี่ยนแปลงแปปวนไปแล้วมันก็แตกดับไปในส่วนของรูปนี่นะเราบอกว่ารูปนี้คือเราเราคือรูปรูปนี้เป็นตัวเราตัวเรามีอยู่ในรูปคำว่าชีวิตชีวิตนี่คือรูปนี้แหละชีวิตรูปของเราไม่พอ เรายังตั้งชื่อช้ำเข้าไปอีกวันนายกนางขอว่ามันเป็นชีวิตนี้อยู่ที่รูปนี้นี่รูปนี้นายกรูปนี้นางขออเราก็บัญญัติสมทับมันเข้าไปแต่ว่ารูปพอเราดูไปความเป็นจริงของภาพที่มันประกอบกันอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นสภาพที่มีความย่อยยับมีความแตกดับมีความเป็นไปตามธรรมดาของมันตั้งอยู่ในชั่วขณะขณะขณะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเดียว แล้วก็มีลักษณะอยู่กับการเวลาที่มันผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วก็แตกสลายเพราะมันเป็นอย่างนั้นเราก็ถามว่ารูปนั้นใช่เราไหมเราอยู่ในนั้นไหมรูปมันเป็นของเราไหมถ้ารูปมันเป็นของเราเราจะต้องบังคับมันได้ไม่มีรูปใดที่มีใครเข้าไปสามารถบังคับได้ รูปที่สมมุติว่า น, นายกนายกก็บังคับรูปตัวเองไม่ได้บังคับรูปตัวเองว่าอย่าให้มันเปลี่ยนแปลงอย่าให้มันแปลปรวนอย่าให้มันแตกดับบังคับไม่ได้แม้จะมีวิชาวิทยาการในโลกนี้มีนวั ต, ตกรรมใหม่ๆเยอะแย ะ, ย ะ, ยะมากเช่นฉีดตรงที่มันเหี่ยวย่นต่อเติมเสริมแต่ง้าไปมันก็ได้แค่ชั่วคราวแต่จะเข้าไปบังคับบงการรูป ให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เมื่อมันไม่ได้มันใช่ของเราไหมล่ะเออมันไม่ใช่แน่นอนที่สุดเลยเราไม่มีอยู่ในนั้นถ้าเรามีอยู่ในนั้นมันต้องเป็นไปดังที่เราปรารถนามันไม่ใช่ของเราถ้ามาเป็นของเราเราต้องบังคับมันได้ต้องกล้าพอสําหรับที่จะต้องเรียนรู้ให้มันเกิดความเข้าใจตรงนี้ไว้ พอมีอย่างนี้เห็นรูปแล้วก็รูปนี้ก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่มีอยู่ในรูปรูปก็ไม่ใช่ของเราเออมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นธรรมชาติที่มีความเป็นไปตามธรรมชาติของมันแค่นั้นเองไม่ว่ารูปในอดีตรูปปัจจุบันหรือรูปอนาคตรูปเรารูปเขารูปหยาบรูปละเอียดรูปภายในรูปภายนอกทั้งหมดเป็นไปตามธรรมชาติของรูปเท่านั้นเอง เราจะไปสำคัญคาดหมายให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นี่คือความเป็นจริงของชีวิตในหน้าตาที่มันเป็นรูปเราต้องทางความรู้เรื่องเหล่านี้แหละให้มันเข้าใจพอเราเข้าใจเสร็จแล้วมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดความจางคลายได้อันนี้ส่วนหนึ่งละวอันส่วนต่อมา ในส่วนของรูปเนี่ยส่วนต่อมาก็คือส่วนของนามนามนี่มีอยู่สี่คือเวทนาสัญญาสังขารและก็อิน ญ, ญาณเวทนาคืออะไรเวท น, นาคือความรู้สึกความรู้สึกนี่มันมันมันเกิดจากอะไรความรู้สึกมันเกิดจากอะไรเราสังเกตดูที่ความรู้สึกในชีวิตของเราความรู้สึกมีอะไรมั่งวันหนึ่งหนึ่ง เรามีความรู้สึกอะไรมั่งสดชื่นสบายอกสบายใจไม่สบายอกไม่สบายใจรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกเบื่อรู้สึกเหงารู้สึกว่าวรรู้สึกเซ็งรู้สึกอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยในความรู้สึกทั้งหมดเหล่านั้นในกองของความรู้สึกเหล่านั้นมันเกิดจากอะไร มันเกิดจากอะไรเกิดจากผัสสะเห็นไหมฮมันเกิดจากผัสสะในกองหรือหน้าตาของขันในส่วนที่เป็นรูปไม่ว่ามันในส่วนที่เป็นความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบไหนทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดจากผัสสะผัสสะที่อาศัยรูปเกิดขึ้นเห็นไหมตอนนี้นเขาบอกว่านามอาศัยรูปรูปอาศัยนาม กายอาศัยใจใจอาศัยกายตรงนี้ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากผัสสะเพราะผัสสะนั่นแหละมันจึงเกิดความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอะไรแบบไหนทั้งหมดทั้งสิน้นและในความรู้สึกมันเกิดเพราะผัสสะและดูในความรู้สึกที่มันเกิดพอมันเกิดแล้ว มีความรู้สึกไหนที่มันเกิดแล้วมันอยู่ชั่วนาตาปีชั่วกับชั่วกันไม่มีหรอกเพราะมันเกิดขึ้นปับ๊บแล้วผัสสะดับมันก็หายไปทุกความรู้สึกเกิดขึ้นปับ๊บมันก็หายไปท่านว่ามีอ่าส่วนที่เป็นสุขเวธนา อันนี้คือความรู้สึกในข้างฝ่ายที่สบายสบายหน่อยความรู้สึกอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นทุกขเวทนาคือไม่ค่อยสบายสบายไม่ค่อยสบายเป็นควา ม, มความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายแล้วทุกขมสุก็คือว่าเป็นความรู้สึกที่ทยังไม่ใช่สุขที่ยังไม่ใช่สบายยังไม่ใช่ไม่สบายแต่มันเป็นความรู้สึกขึ้นมาแล้วทั้งถามถความรู้สึกนี่ มันเกิดมาจากภาษะลองนึกดูสิภาษาทางไหนมัง้งภาษาทางตาภาษาทางหูภาษาทางจมูกภาษาทางลิ้นภาษาทางกายภาษาทางความนึกคิดในภาษาแต่ละครั้งนั่นแหละมันจะให้เกิดความรู้สึก เละภาษานี่เกิดแล้วมันก็หายไปไอความรู้สึกนน่มันเกิดแล้วมันก็หายไปเกิดแล้วมันก็หายไปเกิดแล้วมันก็หายไปเกิดแล้วมันก็หายไปถามว่ามันเป็นเราไหมถ้าถ้าตัวเวทนาคือความรู้สึกนั้นเป็นเรามันเกิดแล้วมันดับไปขาดเลยอะเราไม่มีแล้ววันนี้ของเราไม่มีแล้วเพราะว่า ความรู้สึกที่มันเกิดและดับไปเกิดและดับไปของเราในอดีตมันเยอะมากถ้าเรามีอยู่ในความรู้สึกนั้นความรู้สึกที่มันเกิดแล้วดับไปเราก็จะดับไปด้วยหายไปด้วยแต่เพราะเราไม่มีเพราะว่าความรู้สึกนั้นไม่ใช่เราเราไม่ได้อยู่ในความรู้สึกนั้นความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยเกิดด้วยอำนาจของปัจจ ไม่ว่าความรู้สึกภายนอกภายในอย่าละเอียดล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิน้นมันต้องกล้า พ, พอที่จะต้องเรียนรู้ตรงเข้าไปอย่างนี้มันจะทำให้เราเห็นว่าไอ้ความรู้สึกหรือเบทนานี่มันก็ไม่ใช่เรานี่หน้าตาหน้าตาโดยสรุปนะถ้าว่าพูดกันโดยพิสดารเนี่ยมันเยอะ แต่ก็เพื่อให้พวกเราาให้ความสำคัญในการที่จะเข้าสู่ธรรมะหน้าตาอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าสัญญาคือส่วนที่มันจเาเมื่อตะกี้นี้มันรู้สึกใช่ไหมตอนแรกนี้มันรูปส่วนหนึ่งแล้วต่อมานี่ส่วนก็เป็นนามก็เป็นสัญญาคือความรู้สึกต่อไป เ, อเวทนาความรู้สึกต่อไปสัญญาคือส่วนที่มันจาที่เราจห น, นนี่ได้นั่นนะ ความจำทั้งหมดนั่นแหะของเราเนี่ยมันก็เยอะเยอะมากพราะเราเห็นอะไรมันก็เกิดการจําได้แต่บางทีก็บอกว่านึกได้พอเห็นปับ๊บนึกได้ได้ยินปับ๊บนึกได้ได้กลิ่นปับ๊บนึกได้ได้กลิ่นปับ๊บนึกได้รู้ได้ว่าเป็นอะไรเราเรียกว่าสัญญาวิตก สัญญาวิตกก็คือว่าจำอะไรได้หายกันไปตั้งหลายปีพอเห็นหน้าปั๊บนึกได้จาได้จำไ ด, ำได้อาการจำจำนี่แหละเขาเรียกว่าสัญญาจำสิ่งที่ผ่านมาได้คือเราต้องให้ความหมายให้ใจของเราลงเข้าไปเรียนรู้เรื่องของคำว่าจำได้เป็นหน้าตาของชีวิตอีกส่วนหนึ่งของนาม ความจำนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดก็เพราะอาศัยผัสสะอีกเหมือนกันผัสสะพอมันกระทบปั๊บแล้วมันจําได้พอกระทบปั๊บมันก็เกิดจําได้กระทบปั๊บเกิดจําได้กระทบปั๊บเกิดจําได้เพราะผัสสะนั่นแหละมันจึงทําให้เกิดความจําถ้าไม่มีผัสสะ มันจะจำได้ไหมมันจะทำงานไหมมันจะทำงานไหมสัญญามันจะทำงานไหมถ้าไม่มีภาษามันทำไหมไม่ทาถ้าไม่มีภาษามันจะเกิดความรู้สึกไหมไม่เกิดเออใช่ไมก็ทั้งหมดก็เหมือนกันในตัวในตัวสัญญาความจำนั้นเราดูผิวเผินเราดูเป็นเราว่าเราเป็นผู้จาแต่ว่ามันมันใช่ไหม เพราะอะไรเพราะว่าความจําแต่ละครั้งที่มันเกิดแล้วมันเป็นไงมันดับไปถ้าเราอยู่ในความจํานั้นเวลามันดับไปเราก็หมดเราก็ดับไปแล้วเราก็ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นสัญญามันจึงเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากผัสสะเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่มีไม่มีเราอยู่ในนั้นอันนี้หน้าตาชีวิตในส่วนที่ชื่อว่าสัญญาทีนี้ไอ้ต่อมาอีก ต่อมาเขาเรียกสังขารใช่ไหมแต่ว่าในสังขารเนี่ยมันเป็นเสมือนผลในเนื้อตัวสังขารเนี่ยท่านแจกไว้ว่าการปรุงมันมาจากอะไรมาจากเจตนาผัสตะและมานสิการเราจะต้องทําความเข้าใจนะไม่งั้นเราไม่รู้จักสังขารรอการปรุงเช่นอะไรมัง่งการปรุงเนี่ยเช่นพูดอย่างเนี้ยปรุงอืม เข้าใจไหมปรุงพยักหน้านี่ปรุงไหมปรุงไหมยิ้มปรุงไหมจับพิกขาปรุงไหมทุกๆ ก, การเคลื่อนไหวในการขยับคือการปรุงพยักหน้านปรุงไหมในการปรุงมันมีอะไรมาร่วมปรุงเจตนา พัสดมาณสิการพยักหน้ามีจไม่มีเจตนาพยักหน้าได้ไหมไม่มีเจตนาเปิดธมุดได้ไหมได้ไหมได้ไม่ได้พราะมันเกิดอันนี้คือสังขารใช่ไหมนี่คือการปรุงใช่ไหม กับเอมกระเอมเมื่อตะกี้เป็นไงมีเจตนาไหมทุกๆกิริยาทุกๆ ก, การปรุงล้วนมาจากอะไรเจตนาเจตนาเป็นพลังในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการปรุงเกิดเกิดสังขารเจตนาผัสสะ มานาัสิกาภาษานี้เรียกว่าในชั้นในชั้นนี้นอกเหนือจากการกระทบภาษะจะมีอยู่สองชั้นก็ เ, เรียกว่าปฏิกะสัมผัสกับอธิวัจนะสัมผัสปฏิกะสัมผัสที่เรีว่าตาเห็นตาเห็นนะปฏิกะสัมผัสตาเนี่ยมันกระทบกับรูปแล้วแต่แต่ไม่มีเจตนา เพราะมันไม่มีเจตนาเกิดไอ้ไอ้ผัสสะจะเกิดไหมอาธิวัจนะเนี่ยมันจะเกิดไหมผัสสะอาธิวัจนะสัมผัสนี่หมายความว่ามันเป็นการสัมผัสทางใจใจเข้าไปสัมผัสอีกครั้งหนึ่งนอกจากว่าต า, าจากักระสาทไปกระทบกับรูปกระทบกันแล้วนะ่ะเป็นปฏิฆาสัมผัสมันจะต้องอาธิวัจนะสัมผัสคือใจจะต้องไปสัมผัสที่ใจด้วย มันจึงเกิดเป็นการตั้งใจคือเจตนาแล้วก็เกิดเป็นมนสิการคือเกิดเป็นกิริยาการกระทาในใจตัวสังขารเนี่ยสำคัญมากเราสนมากเราจะไปโง่ในตัวสังขารเพราะฉะนั้นในตัวสังขารคือตัวเจตนาผัสสะและมนสิการเข้าใจไหม คำถามเสียงพูดที่ถามออกไปว่าเข้าใจไหมมาจากไดมีเจตนาไหมมีภาษาไหมมีมานสิการไหมตอบว่ามีสิ่งที่มันปรุงบอกว่ามีมมีเจตนาไหมภาษาไหมมานสิการไหมทุกทุกกิริยาที่เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นการปรุงเป็นสังขารทุกทุก ล้วนมาจากอะไรเจตนาผัสสะมนุสิการนี่ส่วนนี้เรียกว่าสังขารทุกๆุกกิริยาท่านแยกไว้ว่ า, วาอสังขารนั้นมันเป็นการปรุงดีไม่ดีแล้วก็เฉยเฉยดีมีไหมปรุงแล้วดีมีไหมมีใช่ไหมปรุงแล้วไม่ดีมีไหม ปรุงเละเฉยๆมีไหมอะไรมั่งปรุงเละเฉยๆเห็นแล้วเห็นคนเดินข้ามตรงนั้นกระทุกปั๊บเกิดความเมตตาดีไหมเห็นคนตาเขเกเกิดความรังเกียจดีไหมดีไหมไม่ดี หิวน้ําหยิบน้ําขึ้นมาดื่มน้ําดีหรือไม่ดีอะไม่ไม่ดีก็ไม่ใช่ดีก็ไม่ใช่มันคืออัพยกักฤตคือกลางกลางดีก็เป็นกุศลใช่ไหมไม่ดีก็เป็นอกุศล ส, ส่วนกลางกลางยังไม่จัดว่าดีหรือไม่ดีนี่ก็เป็นอัปยกักฤตเนี้ยนี่นี่คือสังขาร เราเคยรู้เรื่องของมันไหมในชีวิตเราบ่ะนี่คือชีวิตเราเรามมวแต่ไปสนใจศึกษาเรื่องอย่างอื่นเพื่อที่จะให้อะไรให้บรรลุแต่เราไม่รู้เรื่องเหล่านี้มันจะได้ไหมเพราะอะไร เพราะการปฏิบัติมันเป็นไปเพื่อความไม่เกิดการคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธทางาเราหวังเพียงว่าให้มันเกิดเป็นความอัศจรรย์ที่เราจะได้บรรลุหลุดพน้นแต่พุทธศาสนาเนี่ยไอการที่จะไปละอุปาทานใดๆเนี่ยละวางอะไรต่างๆมันต้องใช่อะไรต้องใช้ปัญญา สติปัญญาที่จะช่งชางใช้เนี่ยมันจะต้องทำหน้าที่ยังไงมันต้องที่นำการรู้จริงเห็นจริงถ้าเรารู้จริงในความเป็นรูปประขันรู้แจ้งแล้วว่ามันไม่ใช่เราจนเกิดเห็นเห็นโทษของมันจนเกิดความเบื่อหน่ายปล่อยวางออกไปหนึ่งแล้วรู้ในเวทนาขันว่าไม่ใช่เราปล่อยวางออกไป เห็นแจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงธรรมชาติของเวทนาขันแล้วปล่อยวางออกไปก็ได้สองกองแล้วรู้ในสัญญาว่ามันเป็นอย่างไรจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ปล่อยวางออกไปรู้ในสังขารยังแจ่มแจ้งแล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคลายอุปท า, านออกไปก็สี่ขันแล้วเอเหลืออีกกี่ขันหนึ่งขันก็เรียกว่าบิ ญ, ญาณ คนนี้ยิ่งหนักเลยเราก็จะไม่ได้สนใจเขาอะวิญญาณขันวิญญาณแปลว่าอะไรรู้ใช่ไหมวิญญาณคือรู้สภาพรู้เนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะสภาพรู้เกิดจากอะไรือรู้ไหมไม่รู้สภาพรู้เกิดจากรูปเกิดจากขันสี คือรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือรูปเวทนาสัญญาเจตนาพัฒสมนัสการเพราะสังขารก็คือเจตนาพัฒสมนสิการอา้าวทำไมนึกถึงงงไง เ, เอาอย่างนี้ดีกว่าเรารูปปรากฏขึ้นถ้าไม่มีสภาพรู้เข้าไปมันจะเห็นไหม ถ้าไม่มีสภาพรู้เข้าไปมันจะได้ยินไหมไม่มีสภาพรู้เข้าไปมันจะได้กลิ่นไหมไม่มีสภาพรู้เข้าไปมันจะได้รสไหมไม่มีสภาพรู้เข้าไปมันจะสัมผัสได้ไหมเนี่ยไม่มีสภาพรู้เข้าไปมันจะรู้ไหมว่ามีการสัมผัสรู้ไหมไม่เออเพราะฉะนั้นตัววิญญาณคือตัวสภาพรู้ที่อยู่กับขันทั้งสี่นั่นแหละ เนพราะฉะนั้นในในท่านบอกว่านามรูปเกิดเพราะวิญญาณวิญญาณเกิดเพราะนามรูปมันเกื้อกันอย่างนี้ก็ลองรู้ดูรู้สึกถ้าไม่มีสาภาพรู้ก็ไปมันจะรู้สึกไหมที่มันรู้ว่ารู้สึกอเพราะว่ามันมีสาภาพรู้อยู่ จำได้ถ้าไม่มีสภาพรู้เข้าไปมันจะจำได้ไหมมันจะเกิดการจำได้ไหมไม่ได้ที่มันรู้ว่าจำได้เพราะอะไรเพราะมันรู้ความคิดที่เป็นการปรงุงมันต้องมีความเข้าไปรู้ไหมถ้าไม่มีสภาพรู้ ม, มันจะรู้คิดไหมเ <c oughs> ข, ข้าใจยังเข้าใจยังนั่นเพราะฉะนั้นวิญญาณจึงอยู่กับขันทั้งสี่ เมื่อขันทั้งสีเรามองเห็นแล้วอย่างเมื่อกี้ก็ดับใช่ไหมรูปก็ดับเวทนาก็เกิดดับสัญญาก็เกิดดับตัวเขาเองก็เกิดดับแต่วิญญาณ น, นั้นหน้าตาเขามีหน้าตาเดียวคือรู้ส่วนส่วนเวทนาน่ะเป็นไงอ่ะกี่หน้าตายเยอะ <laughs> ความจําล่ะหน้าตาเยอะใช่ไหม เยอะมาแล้วก็เกิดปั๊บดับขาดเวทนาเกิดปั๊บดับขาดสัญญาเกิดปั๊บดับขาดเพราะว่าเวทนาเป็นเช่นว่าความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นนะแล้วพอความรู้สึกอื่นเกิดความรู้สึกนั้นก็ดับไปสัญญาความจําก็เหมือนกันความจํานี้เกิดขึ้นความจําอื่นเกิดความจํานี้ก็ดับไปคือมันดับขาดไปเลยแต่ทุกๆความจําทุกๆความรู้สึก ทุกๆความคิดต้องมีอะไรไอ้ตัวรู้จะต้องเข้าไปร่วมด้วยเสมอมันเขามีหน้าตาเดียวคือหน้าแล้ก็คือรู้เข้าใจปะ่ะทันไหมเนี่ยก็คือรู้เรื่องราวเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยือชีวิต เ, เราจะต้องรู้เรื่องชีวิตอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นตัววิญญาณตัวเนี้ไอ้พวกนั้นมันเกิดมันเกิดดับเร็วไหยอ่ะอย่างวันนี้เนี่ยกี่ความรู้สึกแล้วกี่ความจําแล้วจะพอแค่อขับรถมานี่ก็หลายขันแล้วใช่ไหมมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแล้วมันเกิดเร็วมากอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตัวสภาพรู้ที่เข้าไปรับรู้มันก็เร็วด้วยเพราะมันเป็นเสมือนอะไร ก, ก็เรียกเขาเรียกว่าเป็นเสมือนเงาเหมือนเงาเหมือนเงาของ รูปเหมือนเงาของเบตนาเหมือนเงาของสัญญาเหมือนเงาของสังขารเหมือนเงาของเกิทุกทุกเจตนาที่เกิดมันต้องรู้ครับไหมทุกทุกเจตนาต้องมีรู้ครับไปใช่ไหมถ้าไม่มีรู้ก็ไปเจตนาจะเกิดหมอ๋ออแล้วพอเขาเกิดดับเร็วเนี่ย เวทนาสัญญาสังขารก็เกิดดับเร็วเกิดดับเร็วเกิดดับเร็วไอ้ตัวรู้เนี่ยมันก็ดับไปตามเวทนาดับก็ดับสัญญาดับก็ดับสังขารดับก็ดับใช่ไหมเมื่อพวกนู้นดับเร็วเขาหลายหน้าตาเวทนามีหน้าไอ้สัญญาวิญญาณนี่มีหน้าตาเดียวคือรู้พราะพวกนู้เกิดดับเร็วมันเกิดมีโอกาสที่จะตกผลึกไหมนึกนึกภาพฟิล์มหนังไหมม้วนหนังอ่ะ เอ้ hey, เราก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรเพราะเมื่อก่อนเคยเดินถือม้วนหนังฟิล์ม <laughs> ฟิล์มหนังอะ่ะรู้จักไหมมันมันทำไมมันถึงออกมาเป็นภาพเพราะมันมันหมุนเร็วใช่ไหมเอออ่าทีนี้เราก็ต้องจะทําความเข้าใจเขาต่อไปอีกนะว่าเมื่อเวทนาเกิดดับเร็วสัญญาเกิดดับเร็วความคิดเกิดดับเร็วเกิดดับเร็วแต่ว่าไอตัวรู้คือวิญญาณเนี่ยเขามีหน้าตาเดียว เ้าก็เกิดดับไปกลับไปพวกนั้นแหละแต่เขามีตัวเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตกผลึกมาอยู่ที่ตัวสภาพรู้ตัววิญญาณ น, นี่ไอของเก่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันก็เหลือเป็นตะกอนอยู่ที่เหลือตะกอนอยู่ที่ตัววิญญาณเราจึงได้ยินคาว่าสะสมไหมละ่ะเข้าใจเรื่องกรร ม, มยังเรื่องกรร ม, มยังเรื่องกรรมเข้าใจแล้วใช่ไหม การกระทําการกระทําการกระทําที่เป็นเจตนาที่เจียมเป็นเจตนาที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันอยู่ตรงเนี้ยมันสะสมอยู่ที่ไหนอยู่ที่บิญญาณอยู่ที่บิน ญ, ญาณคะันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ายันจะพิฆ เ, เวเจเตติปักกัปะกะเป ต, ติอนุเสติเป็นตน้นพุทธเจ้าว่าอืม การจงใจความคิดความคุ้นคิดเหล่านี้อารมณะเบตังโหติมักว่าเป็นอารมณปัจัยของอะไรวิญญาณสัตทิติยาแห่งความตั้งมั่นของวิญญาณคือการเกิดดับของเวทนาของสัญญาของสังขารที่กดด็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ย มันจะเป็นปัจจัยแห่งความตั้งมั่นของวิญญาณที่มันตกผลึกตกตะกอนอ่ะเข้าใจว่าล่ ะ, ละตกตะลึกตกตะกอนไอ้ที่เราเรียกกันว่าอาสาวะบารมีเห็นเราเรียกว่าอาสวะบารมีเราเรียกว่าบุญเราเรียกว่าบาปเราเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วคือตกผลึกขึ้นมาอยู่ที่ไหนแล้วมันหลีกเลี่ยงได้ไหมละ่ะ อ่เหมือนยกตัวอย่างว่ามะม่วงเขียวเสวยอย่างเงี้ยมะม่วงเขียวเสวยอแล้วเราก็ไปเพาะที่ปัตตานีมันขึ้นมาเป็นอะไรเขียวเสวยป่ะเพราะอะไรเพราะเชื่อมันเพราะเชื่อมันอยู่ข้างในใช่ไหมทั้งหมดที่เราเคลื่อนไหว ทุกๆเจตนาของเราทั้งหมดที่เราเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันจะตกตะกอนอยู่ที่อะไรวิญญาณเข้าใจไหมและอะไรที่จะพาวิญญาณไปเกิดฮะตั้หามาแล้วเนี่ยมาแล้วมาตั้หาอะไรมาพาไปทีนี้พอวิญญาณตัวนี้มันแข็งแรง มันตั้งมั่นอยู่มันไม่ยอมแบบคือมันดับแต่มันดับไม่ไม่สนิทมันเหมือนกับเราเอา่อเห็นคนเขาเขาโยนของกันอะร่อนเข้าเงี้ยเคยรู้จักไม่ร่อนข้าเนี่ยเรายกรู้จักกระดงใช่ไหมเออกระด้งนะกระด้งก็ใส่ข้าวข้าวสารข้าวเกลือกเนี่ยพอกระดกขึ้นไปมันลงมายังไม่ทันถึงพื้นเลย ก็รับต่อลงมายังไม่ตันถึงพื้นเลยก็รับต่อลงมายังไม่ตันพึ่งพื้นเลยก็รับต่อมันจึงดูเหมือนว่ามันไม่ตกอันนี้เหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารเหล่านี้คือความรู้สึกความจําและความคิดมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับทําให้ไอาตัวรู้ซึ่งจะต้องไปรู้อยู่ทุกๆความรู้สึกทุกๆตัวความจําทุกๆความคิดเนี่ยมันก็เกิดดับไปพร้อมเขาด้วยแต่มันมีหน้าตาเดียว พอเขาเกิดมันเกิดพอเขาดับมันดับเขาเกิดมันเกิดมันเขาดับมันดับมันยืนอยู่หน้าเดียวแต่ไอ้พวกนู้นก็เปลี่ยนไปหน้าตาก็ดับขาดเกิดเกิดดับขาดขาดเสร็จไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันก็ดับด้วยแต่ว่าเขายืนหน้าเดียวมันก็เลยดับไม่ขาดสักทีพอไอนู้เกิดดับไปแล้วตัวใหม่เกิดก็ต้องรู้อีกอนุใหม่เกิดก็รู้อีกตัวใหม่เกิดก็รู้อีกตัวใหม่เกิดก็รู้อีกมันก็เลยดูเหมือนมันไม่ดับ มันเลยมีเชื้ออยู่ท น, นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปัสมิงปทิติเตเวิญญาเณเมื่อวิญญาณมันมันตั้งมั่นอยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยอายติงปุณภาวาตินิพพ ต, ติยาสิพัติยาสติหมายความว่าการบังเกิดสู่ความเป็นผู้มีพบใหม่ก็จะต้องมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆ ตรงนี้มันจึงเป็นเครื่องยืนยันในเรื่องอะไรเรื่องของขันที่เขาทำงานอยู่ทุกๆ ก, การเคลื่อนไหวขันทั้งห้าทำงานไหมทำงานพร้อมกันไหมพร้อมกันทุกๆ ก, การเคลื่อนไหวทุกๆ ก, การปรุงขันห้าจะทำงานไปพร้อมๆกัน เราจะต้องรู้เรื่องเหล่านี้นั้นพระเจ้าถึงตรัสต่อว่าเมื่อพบเมื่อวิญ ญ, ญาณเนี่ยเขาไปเกิดมาเป็นพบใช่ไหมวิญญาณไปเกิดตัณหามันพาวิญญาณนี้ไปเกิดช่วงช่วงช่วงขณะจิตของเราแต่ละช่วงช่วงช่วงช่วงที่มันไปสู่แต่ละช่ ว, ว, ว, ว, ว, ว, วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงของของการเกิดมันไปด้วยอำ น, นาจของวิญญาณแล้ว ตัวที่นําบิน ญ, ญาณนั้นน่ะนำตะ ก, กรอนเหล่านั้นสิ่งที่สะสมเหล่านั้นเข้าไปสู่แต่และพบแต่และพบเอ่าพันธุที่มันเป็นนั่นคือตัวตันหานั่นวันหนึ่งแล้วเกิดกี่พบกี่ชาติแล้วเนี่ยนั่นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอายติงอายติงปูณภาวาภาวภิณิพัติโหติหมายความว่าการบังเกิดความมีพบใหม่ย่อมมีต่อไปอายติงแปาต่อไป อายติงชาติชรามรณังโสกะปริเทวทุกขโทมานตุปายาสาสัมพวันติเมื่อเมื่อความเป็นสู่พบใหม่นั้นมีอยู่เพราะฉะนั้นชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมานตุปายาสจึงมีแดนเกิดต่อไปอีกเพราะว่ามันตัณหานําไปสู่พบเมื่อมีพบอยู่แดนเกิดจึงมีอยู่ต่อไป ชาชราพยาธิมรณนะมันก็ยังมีอยู่ต่อไปเอวะเบตาสะเกวรสสะลาสาุกกขันตัสสะสมุทโยโหตินี่คือเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงเกิดได้ด้วยประมาณเท่านี้และถ้าเราไม่รู้เรื่องเหล่านี้เราจะไปรู้อะไรอ่ะเพราะเราไม่รู้เรื่องเหล่านี้แหละเราจึงเอาความหวังของเราทั้งหมดอ่ะไปทิ้งไปที่อื่น มันเหลืออยู่ที่ตัวเองแค่สิบเปอร์เย่ิบเปเท่านั้นเท่านั้นนะ่ะแล้วเราก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นดีนนดไอ้ตัวเองไม่ค่อยดีเพราะเราไม่เคยมาเรียนรู้มาศึกษาในความเป็นจริงของตัวเราของชีวิตเราต่อไปอทีนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเราจะต้องทำการ ศึกษาเรียนรู้เรื่องของชีวิตในฐานะที่เป็นขันห้าใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อให้มันคลายอุปาทานนักขันรูปรูปู ป, ปาทานนักขันโทอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในรูปให้มันสลัดออกไปคำว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แจ่มชัดเนี่ยคือมันสลัดตัดอุปท า, านในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณออกได แต่การทำอย่างนั้นเนี่ยมันยากไหมคือพอฟังอธิบายอย่างนี้แล้วมันเกิดความเข้าใจใช่ไหมเกิดความเข้าใจอ๋อมันอย่างนี้จริงๆแต่มันจะต้องอ๋อหลายครั้งมาก <c oughs> มันต้องอ๋อหลายครั้งมากในบางครั้งเราปล่อยวางความคิดความคิดอะไรที่เราความรู้สึกอะไรที่เราเคย เคยพอมันรู้สึกแล้วม <ng> ันมันมีผลรู้สึกแล้วมันมีผลรู้สึกแล้วมันมีผลครั้งนี้เรารู้สึกพอมันเกิดความรู้สึกปั๊บเราเรียนรู้มันแล้วก็ให้มันจบลงที่ว่ามันเป็นธรรมชาติที่ชื่อว่าเวทนามันมีเหตุมีปัจจัยของมันเป็นอย่างนั้นมันมีความเป็นไปของมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มันมันไม่มีเราอยู่ในนั้นเราก็ไม่ได้อยู่ในมันมันเกิดดับเป็นตามธรรมชาติของมันผลอันเกิดขึ้นจากเวทนามันก็ขาด นะันหนึ่งเครื่องหนึ่งครั้งแล้วเราก็อ๋ออย่างนี้นี่เองมันเราต้องเป็นอย่างเนี้ยอีกกี่หมื่นกี่แสนครั้งมันจริงจะขาดมีจริงๆอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือฟังธทำในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงสอนทั้งฟังทำและปฏิบัติธรรมไงให้มันควบคู่กันไปในส่วนของการปฏิบัติเราปฏิบัติอะไร อานาปานาสติใช่ไหมอาณาปานาสติทําให้เราเข้าถึงเรื่องนี้เป็นลําดับลําดับลําดับลําดับทําไมเป็นอนาคามีไปหาพระเจ้าก็าเธอปฏิบัติอย่างไรอยู่อ๋อข้าพระพุทธเจ้ารู้ลมหายใจเธอรู้อย่างไรเหร อ, อ, อหายใจเข้าอย่างไงก็รู้อย่างนั้นหายใจออกอย่างไรก็รู้อย่างนั้น เธอทำมาถูกแล้วแต่มันมีที่ถูกกว่านี้ก็คืออนาปานาสติสิบหกพะใครไปพูดพระเจ้าไปสอนใครก็ตามเรื่องอนาปานาสติทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนอนาปานาสติสิบเคยสงสัยไหมถ้าใครไปเปิดพระไตรปิฎกส่วนของอนาปานาสติสังยุทธ์ไม่มี พระพุทธเจ้าจะพูดในเรื่องอาณาปานสติซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็มีสีบอกอย่างอยู่อย่างนั้นพอเรามาเรียนรู้เรื่องของขนันห้าเรื่องของชีวิตแบบนี้แล้วแล้ว ม, มันไปเกี่ยวพันกันไหมกับอานาปานสติเกี่ยวพันกันไหมเกี่ยวพันกันนะเมื่อต ก, กี้เราบอกว่าตัวสังขารมันมีอะไรเจตนาผัสสะมนศิการไม่มี การปรุงใดๆที่ไม่มีเจตานาเห็นไหมและทุกๆเจตานาทาให้เกิดกิริยาทุกๆกิริยาล้วนมีเจตานาเป็นผู้ขับเคลื่อนในอนาณาปานสติเมื่อปฏิบัติทำเหตุให้ถูกต้องในแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นมันก็จะดำเดินไปจนถึงเรื่องเจตานาดับเจตานาตัดผัสสะขาดเพราะผัสสะขาดนี่อะไรขาด พผัดสะขาดเวทนาก็สัญญาก็ใช่ไหมนี่แหละถึงบอกเรื่องของอาณากรรมฐานอื่นนั้นแค่เป็นกรรมฐานช่วยประคองอาณาเท่านั้นแหละเราจะต้องชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ เรวต้องผิดของการนาแต่ละบข้อให้มันถูกทิพยายามอธิบายสอนและก็นำพาพวกเราปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาเนี่ยก็เพื่อให้มันมายืนหยัดตรงนี้ยืนหยัดในส่วนของการภาวนาที่ชัดเจนในการปฏิบัติอาณาปา น, นสติที่พวกเราได้ฝึกฝนอบรมกันมาตลอดนั่นตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเลย แต่เนื่องจากอะไรเนื่องจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพวกเราเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตที่หลาก ห, หลายพอมันหลากหลายอย่างนี้มาเรามารวมกันเนี่ยมันก็ต้องหาจุดที่มันทำได้เอาแค่พอทำกันไปได้ก่อนนี่ผ่านกันมาเจ็ดสิบสองครั้งแล้วที่ทำสะสมกันมาเจ็ดสิบสองครั้งแล้ว คือรักษาตัวแม่บทแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นกันมาเรื่อยๆแต่เหตุเหตุที่แท้จริงเพื่อให้บังเกิดผลบางเหตุที่แท้จริงเพื่อให้บังเกิดผลเหตุที่แท้จริงเพื่อให้บังบางเกิดผลเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยังพวกเราเนี่ยในเรื่องของอริยศาสตร์สี่พวกเรานี่เราไปแจ่มแจ้งในเรื่องของทุกแจ่มแจ้งเรื่องของสมุทัยแจ่มแร่งเรื่องของนิโรธเราจบแล้วเราจบแล้วยังเราจบแล้ว พะเราแจมแจ้งเรื่องนี่ร้วเราก็วิมุตแล้วเราจบแล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่จบเพราะอะไรพระพุทธเจ้าท่านจะต้องมาสอนนะท่านจะต้องไปหาความเชี่ยวชาญในเรื่องของมรรคและเพื่อมาสอนเราส่วนเราเนี่ยเรารู้เรื่องมรรคมายอย่างเนี่ยเราที่ฟังกันเรื่องขันก็ดีฟังเทศมาตลอดเวลานั่นคือเรื่องมรรคที่เรารู้มาแล้วทั้งนั้น พอเราไปแจ่มแจ้งเรื่องทุกเรื่องสมูเตเรื่องนี้นู่นเราก็จบแล้วเราก็จบหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องเดินตามรอยของพระเจ้าอวดดีไม่ได้เลยเดี๋ยวที่ยเอาใจไปผูกกับตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะไม่ใช่พระพุทเจ้าไงเพราะไม่ใช่พระพุทเจ้า จะไปหวังตรงโน้นหวังตรงนี้หวังตรงนั้นไม่ได้เด็ดขาดเลยพอไ ป, พ อ, ไปพอมามั่นคงแน่วแน่ยืนหยัดกับพระพุทธเจ้าแล้วมันจะโน้มเข้าไปเพื่อที่จะดําเดินต่อพอถ้าเราไม่แน่วแน่กับพระเจ้านะแค่เรื่องอะไรแค่เรื่องอาณาปานสติเนี่ยพวกเราเคยอ่านหนังสือกันแล้วยังนะพระพุทธเจ้าสอนสี่บอกหน้าเดียว แต่ในปัจจุบันนี้มีการสอนอาณากันเยอะมากอันนี้ไม่ได้พูดว่าผิดนะต่างก็มีประโยชน์กันไปคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างแต่มันไม่ใช่ในเส้นทางเส้นทางสำหรับที่จะให้ไปปล่อยวางขันนั้นแค่หน้าเดียวนี่แหละหน้าเดียวนี่แหละแต่มันต้องทำเหตุได้ถูกถ้าทำเหตุไม่ถูกไม่สามารถ ไม่สามารถอย่างเราเคยฝึกกันมาเนี่ยเรื่องลมยาวลมสั้นใช่ไมรู้แจ้งกองลมอนตมาลนำเรื่องเหล่านี้มาประมาณห้าสิบครั้งหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่เริ่มเข้าให้พวกเราได้เรียนรู้เรื่องลมยาวว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมลมยาวทำลมยาวเก้าแบบทำลมยาวห้าแบบว่ามันเป็นยังไงหลายคนพอทำไปเสร็จแล้ว มันเข้าไปสู่เพราะว่าลมของปกติลมปกติลมปกติอ้าวแล้วยังไงไอ้นั่นแหละเรียกว่ายาวแท้ที่จริงคืออะไรแท้ที่จริงคือลมยาวก็คือลมปกติลมปกติที่จะได้นําวันเนี้ยลมปกติเราไม่ต้องไปบังคับให้เขายาวแล้วแต่ เราจะต้องรู้ตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมที่รู้จะต้องอยู่จุดเดียวที่เป็นนิมิตแล้วมันก็รู้ด้วยการอาศัยระยะเวลาพระพุทธเจ้าเรียกว่าไอภาษาริบุตรันเรียกว่าอัธนะสังคาเตอัธนะสังคาเตคือใช้ระยะเวลาใช้ระยะเวลาที่รู้เนี่ย อยู่ที่เดียวแล้วรู้ลมที่ไหลกระทบตรงเนี้อือรู้ที่เดียวนะอือนั่นก็เรียกว่ารู้ตลอดการเวลาที่ลมมันไหลออกไปรู้ตลอดการเวลาที่ลมมันไหลออกไปรู้ตลอดการเวลาที่ลมมันไหลออกไปพอรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไกลแล้วครับอันนี้เหตุที่ถูกนะพอเหตุมันถูกปั๊บรู้อย่างนี้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นตั้งแต่นํามาตลอดเลย อันตราจะพูดถึงสามเรื่องหนึ่งที่ตั้งของจิตรู้สองจิตรู้สามลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมเดี๋ยเราชัดเจนตรงนี้เนี่ยมันถูกแล้วทีนี้ก็ต่อไปก็รู้ลมรู้ลมยาวรู้ลมยาวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยพอกายระรับจิตเริ่มเข้าสู่สมาธิลมหายใจนั้นก็จะ สั้นลงอย่างมีสติสังเกตไหมเวลาเรารู้ลมไปเรื่อยๆืๆเรื่อยๆเรื่อ ย, เ ร, อ ย, เ, รอยเรารู้สึกว่าลมหายใจเรามันสั้นลงอย่างมีสตินั่นเรียกว่าลมสัน้นเห็นไหมนั่นเรียกว่าลมสัน้นแต่ว่าจิตรู้อยู่ตรงไหนจิตรู้อยู่ตรงที่ตั้งของจิต นั่นที่ว่าลมสั้นเ้าต่อไปรู้ไปอีกพอรู้ลมสั้นไปด้วยเราจะสังเกตไหมว่าไอ้รู้ที่มันรู้ลมสั้นเนี่ยลมเนี <ina> ่ยมันหมายควว่ามันไม่ยาวแต่มันไม่อึดอัดและมันเบาแล้วรู้ที่เรารู้อยู่นั้นนอกจากเ้ารู้ลมแล้วมันจะกระจายกระจายคล้ายๆกับเสียงรักังอ่ะรักังเคได้ยินระกขังปะรักขังบทีเราปังไอ้รู้ที่ตรงเนี้ย มันจะกระจายกระจายกระจายกระจายกระจายกระจาเคยสังเกตไหมพระสารีบุตรเรียกตังสดานเหมือนกรวถางมันดังกระจายรู้เนี่ยรู้ข้างตรงนี้พราะเแน่วแน่ตรงนี้แล้วเนี่ยพอเรารู้ไปเรื่อยเรืยรืยื่ยลมมันสั้นลงไม่ใช่เราไปทําให้มันสั้นนะมันสั้นของมันเองสั้นเพราะว่ากายมันระงับ พอมันสั้นลงลมจะเบาลงและรู้สึกไม่อึดอัดด้วยมีสติด้วยสบายด้วยเรารู้สึกว่าไอ้รู้ที่อยู่ตรงเนี้ยเขารู้กองลมทั้งหมดแล้วรู้ตรงเนี้ยมันก็จะกระจายมามันอยู่ที่ฐานเนี้ยมันกระจายเหมือนกับตรงนี้เป็นรักครังแล้วโดนเคาะแล้วมันตีมันกระจายรู้ออกไปรู้ออกไปรู้ออกไปรู้ออกไป เนี่ยชังเกตดไหมเคยเจอไหมสภาวะนี้เคยเจอยะเยเจอไหมว่ารู้ของเราเนี่ยมันมันอยู่ตรงนี้แหละแต่รู้สึกว่ามันมันเหมือนกระจายตัวออกไปกระจายตัวออกไปกระจายตัวออกไปแล้วลมหายใจออกลมหายใจข้าวก็ไม่ได้ยาวมากมันสั้นแต่ไม่อึดอัดมันสั้นของมันเองอันี่คือผลที่ถูกต้องของเหตุแล้ว และตรงนี้เราก็รู้อย่างนี้ไปอีกมันก็จะเป็นเหตุอีกเป็นเหตุที่ถูกต้องอีกถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาตรงนี้เราจะต้องทำเหตุให้ถูกต้องคือไม่ไปอะไรก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแค่รู้ว่ามันดับไปแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแค่รู้ว่ามันดับไปเท่านั้นเองจนกระทั่งไปทึงอหไรมันก็เกิดเป็น ความอิ่มเกิดเป็นปิติปิติส่วนมากที่จะเกิดก็เรียกภาณาปิติพาณาปิติคือมันเกิดอาการแผ่จากการที่รู้มันขยายไปนี้เดะรู้ที่มันรู้บอลมันสั้นถึงแล้วมันก็ขยายออกไปขยายออกไปเหมือนรู้มันกระจายตัวออกไปจากนั้นมันก็เกิดเป็นปิติปิติก็เป็นภาณาปิติมันเกิดการแผ่เหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยมันแผ่ออกไป แพ่แผ่แผมีความเย็นบางคนก็เกิดอาการความเย็นความอุ่นก็สุดแท้แต่ลักษณะกองจริตแต่ละคนแต่มันจะมีลักษณะที่แผ่กระซ้านออกไปในร่างกายของเรานั่นคือไปด้วยรู้ไอ้ตัวที่แผ่ออกไปน่าเป็นปิติก็ก็เครู้มันพอตัวนี้แรงก็หมดสตหบตัวลงมาอ่าก็เกิดเป็นเรียกปัจสธิ ปัจจุบนมันสงตัวปิติมันสงบลงมาแล้วมันก็เกิดความสบายลมหายใจนั้นน่ะมันก็กำลังกําลังตัดเรียบเทียบตอนนี้ก็เราก็เรียกว่าลมสั้นแต่ว่าณตอนนั้นมันก็คือลมปกติของภาวะที่เป็นอยู่ขนาดนั้นเกิด<ม> ค, ความสบายก็เรียกว่าสุข ก็สุดแท้แต่ที่จะเรียกแต่ว่าสภาวะนั้นมันจะปรากฏเกิดจากเหตุที่เราทำมาอย่างถูกต้องและก็มนไล่กันไปมันจะมีสิ่งที่เกิดมาจากเหตุที่ถูกต้องมีสิ่งที่ปรากฏมาจากเหตุที่ถูกต้อง้วสบายแล้วเป็นไงลมหายใจก็ยังรู้ยหมหายใจอยู่นะ เพราะฉะนั้นในอนาปานสาติสิบหกที่พระพุทธเจ้าสอนทำให้มันถูกต้องอย่างนี้ไล่ลำดับไปเรื่อยๆมันจนไปถึงไหนไปจนถึงปฏินิสขานุปัตสีคือในการสลัดคืนขันห้าเวลาสลัดคืนสลัดคืนอะไร สละคืนขานะในระหว่างที่มันถูกต้องตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งมานี้มันจะสังเกตได้ว่าอะไรที่มันไม่ได้เกิดเลยนันทีิมันไม่ได้เข้ามามีบทบาทเลยมันเข้ามามีบทบาทที่ไรการภาวนาของเราเปไา็นไงผ่านันที่คือความเพลิอนอาการที่จิตหลุดออกไปเสเวยอารมณ์ข้างนอก ในระหวังที่เรานั่งรู้ลมหายใจตั้งนี้ถ้ามันมีหลุดออกไปแล้วไปโซเบยอารมณ์ข้างนอกเสร็จการภาวนาพังทันทีแต่ถ้ามันพังแลว้วเราก็เริ่มใหม่พังแลว้วก็เริ่มใหม่โดยการใช้ความเพียรพังแลว้วก็เริ่มใหม่ให้ดําเดินต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมันไม่เกิดอ่ะมันไม่เกิดเหตุมันก็จะถูกต้องเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึง เหลือแต่จิตที่ไม่มีนันติต่อไปมันก็จะเกิดการเปลืองเปลืองเปลืองอะไรเปลืองทั้งนันติและวิราค้าออกไปถ้าทําเหตุที่ถูกตอก้องมันก็จะเป็นของมันไปอย่างนี้แหละไม่ต้องทูพูดไปให้มันหมดความนะถ้าพูดไปหมดความเดี๋ยวมันจะมึนเอาเป็นว่าวันนี้อะให้ใส่ใจขันห้า ใ ห, ให้มันรู้สึกได้ว่าธรรมชาติของรูปเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของเวทนาเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของสัญญาเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของสังขารเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของวิญญาณเป็นอย่างนี้ให้มันรู้สึกให้ได้ให้มันเข้าใจให้ได้แล้วเราก็ใช้การภาวนาลำดับไปการเจริญอานาปนานสติเนี่ยถ้ามีเวลา นั่งให้ต่อเนื่องสักสามชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วจะเห็นเห็นสภาวะที่ว่ามาเนี่ยได้อีกเยอะนี่ส่วนมากเราครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงก็ทำไงอ่ะกว่ากว่าัา้งรู้ไปแป๊บๆๆๆก็จบแล้ว พอเมื่อยนิดหน่อยก็เลิกพอดีหมดเวลาเมื่อยนิดหน่อยก็เลิกพอดีหมดเวลาจิตที่รู้มันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ต่อเนื่องเพราะว่าถ้ารถนั่งได้สามชั่วโมงอ่ะลองคิดดูดิอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนเดินเหมือนเดินจงกลมนะมันสังเกตดูเก่อนแต่ก่อนเราก็เดินกวนๆตอนหลังนี่มาทดสอบดูคือดูระยะเวลามันนะใช่โทรศัพท์มันมีแอปถูกกับภาพใช่ไหม เวลาเราเหยียบเรารู้ไงไหมรู้เหยียบรู้เหยียบรู้เหยียบรู้เหยียบเพราะมันออกมาเป็นเก้าเนี่ย 12,9 ่น 12, อย่างนี้โอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดานะรู้ 12,9 ่นคิดว่ามันมีกี่เก้าที่เราไม่รู้แล้วเราก็เปรียบเทียบดูว่าเรารู้ไปประมาณกี่เปอร์เซนต์สภาวะอย่างนั้นมันเกิดรู้ไปกี่เปอร์เซนต์ เราอย่างั้นมันเกิดเออมันมีข้อให้ศึกษาเปรียบเทียบก็ไปอีกหลายๆลายอย่างเอาสรุปก่อนวันนี้แต่วันนี้จําเป็นที่จะต้องพูดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญจากวันนี้ไปเราจะต้องให้ความสําคัญของธรรมะในชื่อว่าขันห้าให้มากนะให้ความสําคัญกับธรรมะที่ชื่อว่าขันห้านี่แหละให้มาก ทำความศึกษาดูเข้าไปให้เห็นความเป็นจริงอันเป็นธรรมชาติของขันแต่ละหน้าตาต่างที่กล่าวให้ฟังแล้วก็แล้วก็จะเริย น, นาณาเอาสติสมาธิและปัญญาเพื่อเข้าสู่ความแจ่มแจ้งในขันแต่ละขันแต่ละขันแต่ละขันเพราะว่าเราความรู้เหล่านี้มันจะเป็นเป็นเส้นทางประกอบเป็นระพาวนาไปแล้วมันก็จะได้ไม่ให้เราตัน การปฏิบัติธรรมทั้งหมดเพื่อเพื่อปล่อยวางเพื่อละอุปาทานในขันธ์ทั้งห้านี่เท่านั้นแหละแต่ใครมาบอกว่าฉันละขันธ์หน้าได้แล้วเนี่ยมันมันยังไม่ใช่นะ ม, มันจะต้องอาศัยสติสมาธิและปัญญามีกำลังพอสมควรเพราะเหตุผลคืออะไรเหตุผลเพราะว่าเวทนาสัญญาสังขาร ที่เขาเกิดดับอย่างที่กล่าวให้ฟังอย่างที่กล่าวให้ฟังวันนี้ก็พอเข้าใจใเรื่องขันห้าพอลว้ผลไหมนะเออจริงๆก็หลายคนก็คงรู้มามั่งแล้วแหละแต่มันไม่เคยให้ความสำคัญนี่แต่ให้ความสำคัญอย่างอื่น ผราไม่ให้ความสำคัญขนห้าจริงๆเรื่องนี้มันเรื่องเราเรื่องของชีวิตนะแต่เรามาสนใจชีวิตในแง่มุมมื่นเห็นโควิดมานี่ตกใจกันแทบเป็นแทบตายแล้วไวรัสโควิดมานี่ตกใจกันแทบเป็นแทบตายแล้วคิดว่าถ้าไม่มีโควิดเราคงไม่ตายใช่ไหมใช่ปะไม่มีโควิดเราไม่ตายใช่โควิดเป็นเหตุปัจจัยอันเดียวที่จะทาให้เราตายใช่ไหม เก็ <laughs> เอาและตั้งใจเถเปมเข้าภาวนากันผูู้ที่ฟังอยู่ที่บ้านก็ร่วมภาวนาก็ปรับเปลี่ยนอิรยาบทให้ดี